เมื่อวานหลวงพ่อออกไปทําธุระจากนั้นก็เข้าไปกราบองค์หลวงตาเพราะเข้าไปตั้งแต่วันวันที่ส2บสองสิงหาจากนั้นก็ยังไม่ได้เข้าไปอีกผมไม่รู้ว่าธุระอะไรตัวมิรอะไรในวัดของเราก็ยุ่งเหยิงแข่คู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานเห็นเมาว่างค่ะ ก็เลยเข้าไปกราบอง ห, หลวงตาไปเมื่อวานในวัดของเราก็ได้ถวายเจตุปัจจัยของหลวงตาเนี่ยเข้าไปทุกครั้งน่ยพระหลวงตาไปที่ไหนโดยมากไปโรงพยาบาลหลวงตาจะสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลถ้าท่านไปอย่างอํเาเภอสังคมเนี่ยท่านก็จะมอบให้โรงพยาบาลทีละสองหมื่น เพื่อให้ใช้จ่ายในโรงพยาบาลเพราะท่านไปทางชัยภูมิเขาขอท่านขอปัจจัยลงตาท่าน ม, มีความจำเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเวลาคนในชนบทบ้านนอกห่างไกลจากโรงพยาบาลเวลาเขามานอนโรงพยาบาลแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีมีแต่จักรยาน ถ้าจะกลับไปถึงบ้านก็ไกลเกินไปผลที่สุดไม่มีอาหารเงินก็ไม่มีโรงพยาบาลจะต้องเลี้ยงคู่คนชาวบ้านที่ยากจนที่เข้ามาแล้วไม่มีอันจะกินโรงพยาบาลก็ต้องให้อาหารเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็ต้องเด็ซื้ออาหารจุดนี้แหละล่งตาได้ใช้เงิน ลางนั้นลงตังหรือถ้างั้นเราจะแบ่งเบาไปแต่ก็เลยให้โรงพยาบาลทั้งสองหมื่นสองหมืนนี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนสังคมเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานได้ธรรมะจากท่านแล้วเราก็ควรจะบูชาด้วยอามิชฌาบูชาคือเราได้ธรรมะจากท่านเราก็ควรจะ ทำแสดงออกซึ่งอาบิชาอย่างที่ พ, พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเทศให้แก่พวกเราเข้าใจในธรรมะพวกเราก็ได้เอาดอกไม้ถูบเจียนบูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้เรียกว่าอาบิชฌาอันนี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเราหลวงพ่อเข้าไปกราบองค์หลวงตาก่อได้ นำจิตตุปัจจัยไปถวายท่านเพราะมันเกิดขึ้นมาจากวัดของเราคณะจัตตาร์ญาติโยมถวายต่างกลัมต่างวาระมากบางน้อยบางแต่หลวงพ่อก็ใช้จ่ายในวัดด้วยข้าวหุงอาหารค่าน้ําข่าวไฟที่จําเป็นใช้ในวัดพระเนรเจ็บใครได้ป่วยไปหาหมออย่านีน้อันนี้ก็จําเป็นแต่ก็ยังพอมีเศษเหลืออยู่ก็ถวาย วงหลวงตาเพื่อให้หลวงตาได้ใช้บูชาพระคุณของท่านนะพอะราะนเมื่อวานนีหลวงพ่อก็ได้นำาจตุปัจจัยไปถวายท่านแต่ขาวนี้ไม่มากนะหลวงพ่อก็จนว่างั้นนะเขาในหลวงพ่อจนนะได้ถวายร่วมสร้างตึกสงฆนะ์ตึกสงฆ์อาภาตที่หลวงตาสร้างหนึ่ง0สพันบาทนะ กับหลวงตาแล้วก็ถวายจตุปัจจัยถวายหลวงตาเป็นส่วนตัวให้หลวงตาใช้การทรงเคราะห์อนุเคราะห์โลกอันนั้นหนึ่งแสี่เจพันรวมแล้วเป็นสองแส0ดมืนหนึ่งพเมื่อวานในหลวงพ่อได้ถวายหลวงตาสอง0 0 0ดมหนึ่งพันบาทเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเนะ้อหนุมานมนาในใจนะอันนี้ก็คือเป็น จตุปัจจัยของพวกเราท่านทั้งหลายมารวบรวมหลวงพ่อก็ได้ น, นําไปถวายองค์หลวงตาเพื่อสงเคราะห์โรงพยาบาลและก็สงเคราะห์ที่ท่านว่าเห็นว่าสมควรที่จะสงเคราะห์เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละการสั่งสมบุญการประกอบการกุศลการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ ไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ไม่ว่าระดับไหนสูงต่ำใครๆก็ต้องการความสุขครั้งนั้นความสุขคืออะไรความสุขก็คือบุญกุศลเน่เป็นเครื่องเกื่อกูลหนุนความทุกข์คืออะไรความทุกข์ก็คือบาปอากุศลให้ผลทุกยากลำบากทุกอย่างอันนั้นคือบาปอากุศลให้ผล แต่ส่วนบุญกุศลให้ผลมีแต่ความสมหวังดังปรารถนามีอะไรก็พอเป็นพอไปไม่ทุกข์ไม่ยากตามอัตภาพอันนี้คือบุญกุศลให้ผลเพราะนั้น พ, พระพุทธเจ้าท่านว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญนาสุขมาให้ในครั้งพุทธกาล พระมหากัะสปะที่เป็นพระผุกแข้งในทุดงเป็นพระมหาเถระท่านหนึ่งในลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นระดับหัวหน้าแนวหน้าท่านถือทุดงท่านแร้งในทุดงท่านไปนั่งเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันคือไม่ฉันอาหารเลยเจ็ดวันพอท่านนั่งออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว ท่านก็มองดูว่าใครจะใส่บาตรเราวันนี้ท่านก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเฝ้าไร่เออเฝ้าไร่เข้าสาลีเขากำลังขั่วเข้าตอกอยู่งั้นให้หวาเขาตอกจากนั้นเขาก็อคงจะนาไปขายนั่นะเอาไปขายเป็นสินค้าครอบครัวของเขาพระมหากระสปาท่านก็เล่งยาน ยานะทัศนะของพระ อ, องค์ของท่านมาผู้หญิงคนนี้เขาจะทำบุญกับเราไอ่ในนาถ้าเราไปโปรดเขาพระมหากัรปะทั้งปลุกเขาทาบุญเขาจะเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจากนั้นพระ อ, องค์องค์พระมหาการปาท่านก็เลยออกไปบินธบาติพนเดินเดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินผ่านเป็นไปผู้หญิงคนนั้นกำลังทำเข้าตอกเข้าตอกแตกของเราเนี่ย คลุกด้วยน้ำผึ้งคลุกด้วยเนยเพื่อจะนำไปเป็นสินค้าขายพอเห็นพระเถระเดินมาทัานของปนมมือขอในมนาราธนาพระคุณเจ้าหยุดยุ ก, ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทำบุญพระมหากัจจปาท่ทานก็ยืนโยมอุบาสิกาคนนั้นเขาก็เขเข้าตอกที่คลุกนด้วยน้ำผึ้งคลุกด้วยนม คุกโดยเนยเอามาถวายท่านพอถวายเสร็จแล้วเขาก็ตั้งความปรารถนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำกับพระคุณท่านในวันนี้พระคุณท่านได้รู้เห็นธรรมะอย่างไรก็ขอให้ดิฉันได้รู้เห็นธรรมะมีความสุขอย่างที่พระคุณท่านรู้เห็นนั้นด้วยเทิน พระมหากัสจปะก็ให้พรให้พรเสร็จแล้วพระมหากัจจปะก็เดินเดินกลับที่พักของท่านแต่ขณะที่เดินมานั่นอ่ะงูอจรพิษงูเหา่างูจงอางงูเหา่าก็ไม่รู้ล่ะแต่พระมหากัจจปะมีผ้าผ้าท่านมันต่ํางูก็ไม่สามารถที่จะกัดได้แต่ในพอผู้หญิงคนนั้นเดินไป งูก็เลยฉกฉกเลยว่างั้นละอฉกเลยก็ล้มตูมเลยก็งงูพิดร้ายเลยพอตายไปปุ๊บตะแกรก็เหมือนกับฝันะเหมือนกับฝันพอตายไปแล้วพอออกจากร่างไนละออกจากร่างไปสู่สวรรค์พอด้วยบุญกุศลกําลังคิดทบทวนโอ้วันนี้เข้าไปเจ้าได้ทําบุญกับพระมหาเทระพระเถระเออท่านก็ให้สินให้พรเรา ทั้งกนเรากำลังทบทวนในการทำบุญอยู่วันนี้เราทำไมโชคดีขนาดนี้ได้ทำบุญกับพระเถระส ม, มณะสากยบุตรทำไมท่านจึงมาที่นี่ทำไมเราจึงได้อาหารกับพอดิพอดีทำอาหารกับพอดี อ, อ, อาหารก็สุกพอดีที่จะมาใส่บาตรทำไมพอดีขนาดนี้การทำบุญในวันนี้นางกำลังมีปีติอินดีในการทำบุญอยู่ว่ากัน งูก็ฉกพอดีพอฉกก็ล้มตูมเลยงนะั้นอ่ะมันผิดร้ายพ่อนางก็เหมือนกับฝันไปเลยพองูฉกเราเหมือนกับฝันไปตอนนี้นก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงอ่าพอในสงกําลังคิดในการกุศลนะเพราะนั่นเรื่องก่อนตายเนะี่ยทำไให้คิดให้คิดในเรื่องเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปคิดในเรื่องอกุศลท่านกําลังคิดเรื่องกุศลอยู่ในขณะที่ มูกัดนั้นจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพอไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเละเอเราขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพอเราไม่ได้ตั้งใจเทวดาขึ้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นไปเอ้เราขึ้นมาอย่างไงก็เลยนึกย้อนหลังดูโอ้เราทําบุญกับพระมหาการสปาเทระเนี่ยโอ้โหทำไมบุญจึงให้ผลมากขนาดนี้ เรามีบริษัทบริวารอีกต่างหากมีลูกน้องบริวารอีกต่างหากร่างกายของเราก็เสร็จสวยงดงามอีกต่างหากบ้านที่พักพายาอาศัยปราสาทของเราก็สวยงามอีกต่างหากเราทำบุญเพียงเข้าตอกใสบาทเท่านั้นเองแต่วพาการใสบาทใส่บาทเข้าตอกครั้งนั้นมัทพระมหากาถาปะออกจากนิโรธจามาบัต ท่านต้องการอาหารธาตุขันท่านไม่ได้ฉันอาหารมาเจ็ดวันแล้วเพระะนันการทําบุญในครั้งนี้เป็นเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ถึงจะมีวัตถุน้อยแต่เหมือนกับเราถูกหวยนะว่างั้นเถอลงทุนน้อยแต่อันนี้สูงมากแต่นี้นางเทวดาเนี่ยโอ้จะทํำยังไงเนอะจะให้ข้าวไปเจ้าเนี่ย ประาาสาทอยู่กับข้าพเจ้านานๆจะให้บุญกุศลนี้อยู่กับข้าพเจ้านานๆ เ, เราต้องลงไปปฏิบัติพระมหากสปะเพราะเป็นอาจารย์เป็นเนื้อนาบุญของเราพระมหากสปะเป็นเนื้อนาบุญของเราเราควรจะลงไปปล น, นิบัติอย่างใกล้ชิดท่านเพื่อจะให้สมบัติที่เราได้แล้วเนี่ยดูนานเท่านานแต่นั่นนางเทวดาต้อลงมา ลงมาก็เน่ยตอนเช้าพระมหาการสปาท่านก็อยู่ในห้องพอมาได้กับปัดกวาดบริเวณใช้ไม้ปัดกวาดเทวดาเั้นจากนั้นก็ตั้งน้ำใช้น้ำฉันของพระ เ, เหมือนกับมาเนี่ยวางกระถ un วางการน้ำแก้วน้ำพระมหาการสปาท่านก็ไม่ได้สนใจเพราะพระรมนะมั่งวันที่หนึ่งก็ผ่านไปพอวันที่สองก็เรียบร้อยอีกอย่างเก่า พอวันที่สามเนี่ยเเรียบร้อยอีกอย่างหนเ่งพอวันที่สี่ท่านกำลังอยู่ในกุฏิของท่านมันแสงสว่างเข้าไปแสงสว่างส่องเข้าไปในกุฏิของท่านท่านก็มองมองดอูมันทำไมทำไมแสงอะไรวะก็เลยมองดูเลยเปิดประตูออกมาเปินโป๊มาก็ถามเจ้าเป็นใคร เทวดาก็บอกว่าข้าพระเจ้าที่ฉันเป็นเทวดาเอา้าทําไมมามาจากไหนมาจากดาวดึงเอาทําไมมามายังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่ที่เขาทําบุญกับพระมหาคสป่าวันนั้น่ะ เ, เขาได้บุญกุศลเขาได้เกิดบนจั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นเขามาทําต่อบุญอีกเพื่อมาให้บุญล่อยลอลงไปเพื่อจะให้ ป า, าส่าตราสจมลเทียนของเขาเนี่ยอยู่นานเท่านานต่อบุญอีกพราะให้พระพุทธเจ้าพระผู้เป็นเจ้าให้บุญมาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบ่อบุญจริงๆเหมือนันนะอยากจะทําบุญต่ออีกเหงือนกันนะจะในอุตสาหลงมาจากชั้นดาวดึงอไม่สวยความสุขเหงือนกันมาปณิบัตรพรปปิพระมหากส ป, ปะพระมหากสปะบอกว่าไม่ได้นะอเทวดาไม่ได้ ไม่ควรจะทำอย่างนี้วันนี้สิ่งที่ทำแล้วแล้วไปให้ทำที่ทำแล้วแล้วไปแต่อย่าทำอีกนะต่างเทวดานะก็ะลำละําละลักกัมดขอให้พระคุณเจ้าอนุญาตให้หนูได้ทำบุญด้วยเท่หนูมีเจตนาดีอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลอยากจะให้สมบัติท่านอยู่นานเท่านานพระมหากัจจปาท่านก็ตกมือเดียวงนันเด้ะ ตบมือสองข้างเลยเทวดาเราพูดแล้วต้องฟังเจ้าจะมาทำอย่างนี้ได้อย่างไงต่อไปภายภาคหน้าถ้าเป็นนักเทศขึ้นมากษัตริยสมัยนั้นพระมหากัสปะมีเทวดามาปนนิบัติมาดูแลอุปธรรมปถากพระมหากัสปะ มันไม่เป็นผลดีสำหรับพระพุทธศาสนาไม่เป็นผลดีสำหรับประวัติของเราเพราะนั้นอย่ามายุ่งเทวดาคือเทวดาเราเป็นพระคื อ, คอเราเป็นพระอย่ามายุ่งกันไปเทวดากันเด็นเลยเหมือนกันเด้ลอยแล้วล่องขึ้นไปบนอากาศรอ้ อ, รองไห้เออร้องไห้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ประเชตวันมหาวิหาร กุมสาววัถีท่านได้ยินเสียงเทวดาร้องไห้เพราะท่านมีหูเทปเนี่ยพระโอริงก็แสดงพุทธนิมิตไปต่อหนา้านางเทวดาเลยบอกว่าเทวดาเธอร้องไห้เรื่องอะไรนางเทวดาเนี่ยเลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอยากจะให้สมบัติมั่นคงถาวรก็ได้ลงไปปนิบัติดูแลอุปถรรมบัตพระผู้เป็นเจ้ากัจจปปแต่ท่านท่านไม่พอใจท่านตะเพิด เข้าไปเจ้าจึงนี่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสียใจเหมือนกัร้องให้พระพุทธองค์ก็เลยเทศฉนาว่าการให้ฟังอีกพอเทศนห้ฟังนางเทวดานั้นได้สําเร็จพระสูดาบันนะได้สําเร็จพระสูดาบันเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าจากนั้นพระอวกเออเป็นอริยะบุคคลแล้ขั้นมาตรฐานและสแตนดาร์ดไม่ตกต่ำแล้วทีนี้ป้ากลับสู่สวรรค์ เออเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เลยเทไงเพราะพระองค์ก็กลับนี่แหละท่านก็สรุปเนื้อหาสาระว่าคนชั่วเมื่อทําความชั่วแล้วเมื่อความชั่วยังไม่ให้ผลเขาก็ดีใจว่าเอา้าวข้าทําความชั่วไปแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่เมื่อความชั่วให้ผลเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาจึงสํานึกได้ว่าโอ้โหเป็นความชั่วจริงๆฮะ เป็นความทุกข์จริงๆในการทําความชั่วนี้คนทําความดีก็เช่นเดียวกันในเมื่อทําไปแล้วความดียังไม่ให้ผลเขาก็ยัง อ, อบอกโอ้ทําไปแล้วก็ทําไปอย่งางงั้นแหละเออไม่ได้อะไรเลยทําไปอย่งางงั้นแหละเพราะความดียังไม่ให้ผละแต่เมื่อความดีให้ผลเมื่อไรเมื่อนั้นเขาจึงยอมรับว่าโอ้โ การทําความดีนี้ความดีให้ผลเป็นสุขจริงๆะเขาจะรู้ได้เมื่อเมื่อให้ผลแล้วนถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะเราปลูกต้นไม้จะเป็นต้นขนุนต้นมะม่วงก็ต่างเมื่อการปลูกเนะี่ยเมื่อปลูกต้นเล็กๆขึ้นมานะเนี่ยมันกระทอกกนะับการปลูกต้นไม้การรักษาต้นไม้โอ้มันจะได้ผลหรือเปล่านะมันจะเป็นลูกยังไงนะ่ะเพราะเราไม่เคยเห็นลูกมันใช่แต่พอมันให้ผลโอ้ คุ้มค่าที่เราปลูกต้นขนุนต้นมะม่วงมันให้ผลได้อยู่ได้กินจริ ง, รงๆเบ่งบานจริงๆเลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ปุญญานิประโล ก, กัสมิงปฏิทถาหุนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนิลาโลกนาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่า น, นอย่าประมาทการสั่งสมบุญกุศล อย่างที่หลวงพ่อในพานำไปถวายองค์หลวงตาหลวงตาเป็นพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากเราหรอกแต่เราขอถวายท่านเพื่อบูชาพระคุณท่านเป็นอามิตรบูชาเพื่อท่านจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกท่านสงเคราะห์โลกจะได้เกิดประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนต่อโลกสงสารต่อไปฮะนี่แหละนี่ก็คือการทําบุญกับองค์หลวงตาเรามีน้อยเราก็ทําน้อยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำํำจะเลยให้มันมีมากซะก่อนยังค่อยทําก็ไม่ได้ไม่รู้วันไหนมันจะมากเพราะงั้นแต่มีน้อยก็ทําตามน้อยของเราทําไปเรื่อยๆหลายหยดต่อหลายหยดอีกสักวันหนึ่งมันก็คงจะเต็มตุ่มเต็มโอ่งเหมือนกันนะะั่นแ่ะบุญกุศลนะเพราะนั้นอย่าประมาท น้ำหยดทีละหยดหยดไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มโอค์เต็มกละมังเหมือนกันนะ่ะรับผ่อนอนุมโมทนาให้ผ่อน